เป็นวันที่ชาวพุทธสมมุติว่าเป็นวันมาฆะมาฆะเป็นชื่อของเดือนมาฆะปุณณมีปุณณมีแปลว่าพระจันทร์เต็มดวงมีเรื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่พระบร ม, มาศาสด า, ศ า, ศ า, ศา ตรงอายุสังขารในเวลาตะวันบ่ายตรงกับวันนี้คล้ๆกับวันนี้ตรงอายุสังขารคือได้รับอาราธนาของมาดพระบรมศาสดาเอ๋ยพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาตลอดถึง พระโสดาบันสักทาคามีอนาคามีสมณีรีนางศิขามานาภิกษุณีที่เป็นพระโสดาบันสักรทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ก็มีทั้งเพศโยมมีต้องเพศบรรพชิตทั้งฝ่ายเพศหญิงและเพศ ช, ชายกบแล้ว คำสั่งสอนใดๆของพระบรมศาสดาก็สั่งสอนมากแล้วพบบริบูรณ์หมดไม่มีบกพร่องเพราะพระองค์จงประนิพน์เถิดมาแสดงตัวมามาอาราธนาพระบรมศาสดาในวันนั้นเป็นเวลาตะวันบ่ายพระบรมศาสดา เออมารผู้ใจบาปเธออยากขนขวายต่ทาคตมากการปริิพานของต่ทาคตก็จะมีในวันเพ็ญเดืนอนหกต่อนี้ไปพอพระบรมศาสด า, า, ารับคำอาราธนาของพราของมารผ่นดินก็ไว้สยดสยองพระอาณ์ กราบูนพระบรมศาสดาที่นี่พูดข้ามไปพระบรมศาสดาหให้โอภายแก่พระอรนนต์ว่าอานอต์เอ๋ยจะทาคปเปรียบเหมือนกุเวียนที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่นับวันจะคล่งคล่ า, าสองครัง้งสามครั้งพูด พระอานนุ์ซึ่งเป็นพระสวดาบันอยู่ไม่รู้จักความหมายมานเข้าโดนใจเสียแล้วโดนใจพระอานุนมาให้รู้จักความหมายพระอานุ์ก็ฟังเฉยเฉยไม่ได้อาราตนาถ้าอย่างนั้นอาราตนาพระบรมมาสัตดาอยู่ไปอีกสักกับหนึ่งหรือหนึ่งกัปหรือกึ่งกับพระอานุ์ก็ไม่ได้อานาตนาอาราธนาเมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้พระบรมมาสัตดาก็อบอกเมื่อพระอานุ์ไม่เข้าใจความหมาย ก็บอกพระอาหนุนถ้าอย่างนั้นคือจงหลีออกไปนั่งข้างนอกไปเสียพระอาหนุนก็ห่างออกไปไปนั่งอยู่ที่แห่งหนึ่งมารก็อาราธนาได้ช่องแล้วเขาบอกโลมาศาสต ร, รษษาก็รับมารังกล่าวมาแลนะ้วนั้นแผ่นดินก็ไหวพระอาหนุนเห็นแปลกประหลาดขั้นมารหายตัวไปแล้ว แต่พระอานุ์ไม่ทราบว่ามารมาอาราสนาพระบรมศาสดาหรอกเพราะมารไม่ให้พระอานนุ์เห็นให้เห็นแต่พระบรมศาสดาเลยมากราบพูนพระบรมศาสดาแผ่นดินไว้สยุดสยองเอออานุนเหตุที่ไปแผ่นดินไหวนั้นมีอยู่แปดประการลมกำลบรหนึ่งท่านผู้มีฤทธิ์บันดาลหนึ่ง พระโพธิสัตว์ประสูตหสสสิหนึ่งพระโพธิสัตว์รัสรู้หนึ่งพระโพธิสัตว์แสดงธรรมจักหนึ่งพระโพธิสัตว์ตรงอายุสังขารหนึ่งพระโพธิสัตว์ปรินิพพานหนึ่งเดี๋นนยวนี้เราตถาคตได้ตรงอายุสังขารกำมานจแล้วพระอานน์เสียใจที่เรารับกำมาน เป็นความผิดของอาโน์ในเมืองเวสาลีในเมืองราชาคฤห์ได้ทาอุบายให้อานน์ฟังอยู่ว่าสังขารไม่เที่ยงเปรียบเงอนเกวียนแล้วให้อุบายลหลายๆตั้งแล้วร้วนทั้งหมดเป็น16ตําตำบลอานน์ไม่อาราธนาตถาคตก็เป็นความผิดของอาโน์แต่ผู้เดียวพระอานน์ก็เลยร้องไห้ ที่นี่ถ้าจะปลารบอันนี้เรื่องอันนี้ก็ยืดยาวนะเป็นพุทธประวัติไปในสถานที่นี้เมื่อได้สมมุติทำบุญมาคะแต่ก็ว่าถือว่าทำอยู่ทุกวันเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่าสถานที่ไม่อํานวยที่เวียนเทียนก็ไม่มีคุครับ และให้เข้าใจว่าการมาพระปุณณมีนี้เดี๋ยวก็ยังอีกเรื่องหนึ่งและเป็นวันที่จะตุลงคสันนิบาทด้วยพระภิกษุหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ซึ่งเป็นพระอาหารหันต์มาต่างทิศ ท, ที่บวชโดยเอฮิภิกุภะสัมปทา <c oughs> มารวมกันในวันนั้นมาในทิศ ท, ทั้งสี่โดยมาไดในมนลนัดหมายพระบรมศาสดา ก็เทศโอวาดปาติโมกในคำโอวาสปาติโมกนั้นการไม่ทำบาปการละบาปและทำกิตให้ยิ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นี่ปริยายไปอีกอันนี้กะปริยายเยนะมีอีกมากมายการท่องเที่ยวในวัตารทร่องสารพวกเราได้จบลงเพียงาตินี้แล้ว ผู้เจย่ อ, ยอขอ้าพเจบรมศาสตาเทศฉลองพระละหัน์เหล่านั้นจึงเป็นวันสําคัญที่เเก่คีอาจารย์เลยผูกมัดขึ้นว่าให้เป็นวันสังเวชนิยสถานที่ประสูมหนึ่งที่ทัศรู่หนึ่งที่แสดงธรรมจักหนึ่งที่ p รงอายุสังขารที่ปรินิพานเป็นสถานที่ บุคคลควรนะลึกถึงจะได้ถึงตามาพระเจะะกุสุลเจ๊กี้ไอจา์ท่านก็เลยกาหนดไว้เพราะกลัวว่าคุณบุรสุดท้ายภายหลังจะไม่มีข้อวัดปฏิบัติแต่พวกเราเป็นนักปฏิบัติมาปฏิบัติถึงเพียงนี้แล้วต้องรู้จักความหมายในวันวิสาขะวันมาฆะเพราะฝ่ายปฏิบัติต้องปฏิบัติเข้าข้างในอีกถ้าผู้ใด ทำความเพียรเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารตื่นอยู่ด้วยสติมีความเพียรอยู่หวังเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารก็เรียกว่ามีเป็นวันมาฆะอยู่ทุกวันเป็นวันวิสาขะอยู่ทุกวันเป็นวันบุญพระเวสสันดรอยู่ทุกวันเป็นวันวันบุญทุกชนิดอยู่ทุกวันเมื่อสร้างบุญชนิดอยู่ทุกวันก็เรียกว่า เป็นผู้มีมาคะวิสาคะและบุญเข้าพันษาบุญออกพันษาบุญอะไรต่ออะไรก็มารวมอยู่ที่ความเบียดเพื่อบรณทุกในวันตาสงสารนี้เองวันนี้เมื่อเป็นวันดังนี้เราก็ทำความเพียรเพื่อบูชาวันมาคะให้สมกับสถานะของเราผู้ปฏิบัติเพราะเราไม่ใช่ฝ่ายปฏิญิและสถานที่ของเราก็ไม่อานวยรด้วย บูชาไดๆในโลกจะบูชาดอกไม้ทูบเทียนเต็มพรมาโลกก็ไม่เท่าปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาจะยังพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงทนไปนานแต่ก็ไม่ปฏิเสธเมื่อมีดอกไม้ทูบเทียนมาโดยเป็นธรรมเราก็บูชากันไม่ในเว้นจนไม่มีเทียนที่จะจุดวันนี้ก็เอาไปจุดแล้ว แปลว่ามีมาฆะมีวิสาขะอยู่ทุกๆวันพระนักปฏิบัติปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารอยู่ทุกๆวันแต่วันนี้ต้องทำให้มากกว่าวันอื่นอยวเห็นแก่รับแกนอนเพราะเป็นวันมาฆะปฏบิบัติบูชาพระบรมศราสดร์ก็ปฏิบัติบูชาเรานั่นเองบูชาความดีของเราเพื่อจะรุดพ้นในวัฏสงสาร จะบูชาหรือไม่บูชาพระบร ม, มศาสด า, าท่านก็พ้นไปแล้วท่านไม่เกี่ยวข้องเอะไรกับพวกเราไม่เป็นห่วงอะไรหรอกเพราะสิ่งใหนหนท่านก็ทุ่มเทลงแล้วมีแต่พวกเรานี่เองเป็นห่วงพวกเราอยากแค่ให้ลดพ้นไปเหมือนองค์ท่านพอหมดความสงสัยแล้วองค์ท่านไปดีแล้วสุขโตองค์ท่านมาได้ตีเตียนองค์ท่านตอนนั้นเราก็มาได้สั่งสอนพิจุสามเณร ยังบกพร่องอยู่ตลอดถึงเทวุตธเทวนาอินพรมยมนักแล้วาน่าเสียดายนะพระบรมาสารสดาม่ได้ว่าเพราะว่าสิ่งทั้งปวงพระบรมาสารสดาทอดเทให้ใจโลกธาตหมดแล้วเหตุฉะนั้นจึงปอบโยนพระอานนท์พระอานนท์ร้องไห้แต่ไม่ร้องไห้เหมือนคนชาวบ้านไม่นับตาไหลเพราะถือว่าพระบรมศาสรสดา จะเข้าสู่พระนิพานไปปอดพระบร ม, มาศาสดาก็พูดอปอดปลอบโยนพระอานุ์ว่าอานนุ์เอ๋ยเธออย่าร้องไห้เถิดตอนมหาปรินิพานสูตรพระบร ม, มาศาสดาบอกให้เรียกหาพระอานุ์มาหาพระอานุนโศกเศร้าโศ ก, กาในเวลามหาปรินิพานสูตรอารนุ์เอ๋ยเธอปฏิบัติเรา เธอไม่หวังเพื่ออามิต h ไม่ได้หวังเพื่อลาภไม่ได้หวังเพื่อยศเธอปฏิบัติจริงๆไม่ได้หวังเอาชื่อเอาเสียงเพราะเธอปรารถนาจะเป็นพุทธอุปถาบมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อ น, ก, อนก็สมประสมของเธอแล้วก่อนที่เธอจะปฏิบัติเธอก็มีคติอย่าให้จิจวันอันประนีกแก่ข้าพเจ้าอย่าให้ข้าพเจ้าไปในที่นมลกับพระองค์ อยให้พระ อ, องค์เอาจีวรอันประนีให้ข้าพเจ้าเทศนาที่ไหนรับหลังจงเล่าให้ข้าพเจ้าฟังลุวยเมื่อข้าพเจ้ารับนิมนต์ไว้แล้วขอพระบรมศาสดาจงไปฉลองชัทตาให้เขาถ้าหากว่าจะเอาจีวรอันประณีให้ให้ข้าพเจ้า พวกคณะญาติโยมหรือพุทธบริษัททั้งหลายจะโจมตีว่าการปฏิบัติพระบรมศาสดาเพื่อจีวรอันประณีตเพื่อบินถ้าบาอันประณีตส่วนที่ประเทศรับหลังแล้วขอให้เล่าให้ฟังก็กันเพื่อว่าพระอาหนอ์อ้าปากตากฟันอยู่เฉยๆเมื่อเวลาพระบรมศาสดาเข้าสู่พระนิพพานแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ความโลกจะตีเตียนเหตุเช่นั้นจึงขอพรไว้มีญาติโยมมาในทิศทั้งสี่ ขอให้เข้าเฝ้าได้ทุกเมือ่อพ่อเก่งเขาจะติเตียนถ้าหากพระสงอนุญาตอย่างนี้ก็จะอุปถาพระบรมศาลาอย่างเต็มที่พระพระอาหนอ์เป็นผู้มีคติเธอเป็นผู้มีคติดีแล้วเธออย่าไปตกใจเลยเรายกย่องเธอว่าเป็นผู้มีคติหนึ่งเป็นผู้มีคติสองเป็นพระผู้สูตร เทศอยู่ที่ไหนเธอก็จำได้สามเป็นพุทธอุปสัชเธอเป็นผู้สร้างบุญไว้แล้วเธออยากเสียใจเลยตอนนี้ไปจากเราปณิพานแล้วสามเดือนเธอจะสำเร็จพลัหันดอกในสังคายนาข้างที่หนึ่งพระ บ, บรมศาล า, า, า, า, า, าทายไว้เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ตีความหมายว่ากุศลพลนบุญใดใด หรือธรรมะใดๆที่พระบรมศาสดาเทศลงวางไว้หวังเพื่อจะลื้อสัตว์ออกในวัฏสงสารทางนั้นหวังเพื่อให้เข้าสู่พระนิพพานไม่ได้หวังเพื่อจะให้อยู่ในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภมสมบัติแต่ว่าเมื่อกรรมยังมีอยู่ก็ผรนปลนตามไปตามกรรมของสัตว์ทั้งหลายเทศอเิสง์ของสวรรค์บ้าง อานิสงส์งของพรมบ้างอานิสงส์งของมนุษย์บ้างแต่ถึงอย่างนั้นก็เทศให้มีความสลดสังเลศสังเวชเบื่อหน่ายทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและผมสมบัติผู้ที่ขิดสูงใจสูงแล้วชอนให้เบื่อให้หนายให้คลายในวัฏสงสารเพราะวัฏสงสารเป็นกองทุกข์มากยัดเยดียดเบียดเบียดกันอยู่ไม่มีเวลาว่างเลย ความแก่ก็ไม่มีเวลาว่าความเก็บก็ไม่มีเวลาว่ า, คว า, ว า, าความตายก็ไม่มีเวลาว่าตายจากช่าวสายายเทีย้ยความป่วยเน่าก็ไม่มีเวลาว่างไม่มีวันทิตวันเสาเนื้อหนังเนื้อเอ็นกระดูผูกมัดลึงที่สมมติว่าเป็นเราเป็นบุกเขาเป็นบุคคลเป็นของเป่วยเน่าเป็นของอยู่ด้วยอาหาร สองของสกรปรกโสมมอาหารคืนลงไปในท้องต้องเป่อยต้องเน่าต้องย่อยออกมาเหมือนต้นไม้ต้องการอาหารสกรปรกโสมมนมน้ำดื่มน้ำลงไปธาตุดินก็ดื่มข้าวลงไปกินข้าวลงไปธาตุลมก็หายใจเข้าออกเสียงบุญเสียงกรรมกันอยู่อย่างนี้ชีพจรเดินข้างหนึ่ง ก็เป็นชาติหนึ่งแล้วก็เป็นภพหนึ่งแล้วเดินอีกทุกวันวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งชีพประจรจะเดินกี่ครั้งก็นับชาตินับภ พ, พมาไหวช่วยชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ชีพประจรเท่านั้นทำชั้นสูงของพอวกลมมศาสตาสอนให้เบื่อหน่ายสอนให้คลายเมาในวัฏรสงสารสอนให้เห็นโทษในเกิดสอนให้เห็นโทษในแก่สอนให้เห็นโทษในเก็บส อ, อนให้เห็นโทษในตาย สอนเห็นเห็นโทษทั้งยืนเดินนั่งนอนรับตื่นที่มาเป็นชาติเป็นภพในวัฏจัทรงสารที่เปลี่ยนอิเดียบทยืนเดินนั่งนอนรับตื่นนึกคิดสอนให้เห็นโทษหมดถ้ามาอย่างนั้นแล้วจะไม่มีหนทางเบื่อหน่ า, ายครายเมาในวัฏจักรงสารจะไปติดอยู่ในเงื่อนใดเงืนนเง่อนหนึ่งเหตุฉะนั้นจึงสอนให้พี่กินาทุกพรอบกับลมหายใจเข้าออกพรอมกับเวลาเดินพรอมกับเวลาเหลือซ้ายแลือขวาเหยียดคู่แขน เมื่อเห็นทุกชัดบริบูรณ์ไม่มีอะไรจะมาบรรจุในโลกอันนี้มีแต่ทุกเท่านั้นจิตใจก็เอื่อมละอาในวัฏจักรสงสารเข้าทุกทีทุกทีทุกทีทุกทีความเพลินในวัฏจักรสงสารก็ชะงะตัวลงทุกทีทุกทีทุกทีทุกทีประตูพระนิพานที่อยู่ในประตูใจก็เปิดออกเพื่อความเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏจักรสงสาร นั่นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยผู้ใดเห็นภัยในวัฏฏะสงสารอย่างเต็มที่ก็คือผู้นั้นเนี่เป็นผู้รู้จักมาคะบูชาและเวิสาขาบูชารู้จักความหมายคำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยและรู้จักความหมายของศีลสมาธิปัญญาด้วยและรู้จักความหมายของการปฏิบัติด้วยและจะรู้จักความหมายของเมตตาตนด้วย รู้จักความหมายในการเดินทางด้วยรู้จักความหมายในมรรคในผลด้วยมรรคผลก็อยู่ในที่นั้นพุทธธรรมสงฆ์ก็อยู่ในที่นั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดปฏิบัติเราผู้นั้นปฏิบัติธรรมผู้ใดเขาผู้ใดเคารพเราผู้นั้นเคารพธรรมผู้ใดยินดีในเราก็คือผู้นั้นยินดีในธรรมยินดีในพระนิพพานธรรมยินดีในการรุดพ้นไม่ไม่ยินดีในการท่องเที่ยวในวัดท้สงสาร พอท่องเที่ยว อ, อยู่ในลุ่มฐานเพลิงเพลิงแก่เพลิงเก็บเพลิงตายพ่อท่องเที่ยว อ, อยู่ในคุ ก, กคุกเกิดคุกแก่คุกเก็บคุกตายคุกหิ้วคุกยากชารพัฒวัดเวียงทำแต่ะระบะบาดสวนพวกเราให้เข้าสู่พระนิพพานทั้งนั้นแต่ด้วยอาศัยเจตของพวกเรามากพวกเราก็ตีความหมายของธรรมะลงมาเข้ากลางตัว นโมตัวเดียวก็ส่งถึงพระนิพพานพุทธังสถานางังคาชามิตัวเดียวก็ส่งถึงพระนิพพานพระนิพพานเป็นสถานาคมอันบริบูรณ์คมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายนโมรอบๆจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายจบนโมในที่พระหลหันถ้าถึงพระหลัหันก็เรียนนโมจบถ้ายังไม่ถึงก็เรียนนโมยังไม่จบเรียนพุทธังสรานังคาชามิก็จบ การกราบการไหว้ก็จบในที่นั้นเพรากราบไหว้จนไม่มีกิเลสเขาพ้นจากกิเลสแล้วนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยากราบไหว้ทํำอนุทพ้นไม่ได้กราบไหว้เพื่อหลอกกินขนมหรือหลอกให้คนนับถือไม่ได้ปฏิบัติพมอาจารย์เพื่อหลอกให้คนนับถือเพื่อจะเอาเป็น เพื่ออ้างไปขู่คนเพื่อจะเอาอิทธิพลไปหลอกกิ่นผู้หวังผลทุกข์ในวัฏจักรสงสารก็ต้องเตือนตนอย่างนั้นจึงจะถูกผู้ยังมีนิสัยอ่อนอยู่ก็เป็นธรรมดาผู้หวังผลทุกข์ในวัฏจักรสงสารแล้วมองดูอะไรไม่เพลินทั้งนั้นในโลกอันนี้เห็นแต่กองทุกข์ยัดเยียดเบียดเฉียดกันอยู่เมื่อจิตเรารวมลงไปหนึ่ง เป็นหนึ่งเล็กกว่าเส้นผมแปดเสียงก็คือโลกยัดเยียดถึงเพียงนั้นเองนั่นแหละโลกโลกยัดเยียดลงทั้งเพียงนั้นเนี่ยยัดเยียดลงนิดเดียวจิตรวมลงเป็นหนึ่งก็ค่าก็ว่าย่นโลกลงเป็นหนึ่งโลกยัดเยียดจนถึงเพียงนั้นพราะวราลมศาสตรมสนามมห้สอนติดอยู่ด้วยสอนในข้ามข้ามมาด้านอีกด้วย ไม่ถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเพราะเราย่นโลกลงมาเป็นหนึ่งในปัจจุบันแล้วย่นธรรมลงมาเป็นหนึ่งในปัจจุบันแล้วย่นความเห็นลงมาในเป็นหนึ่งในปัจจุบันแล้วย่นวิมุตติวิสุทธินิพพานลงมาเป็นหนึ่งแล้วข้ามกันที่นั่นข้ามก้าวเดียวด้วยรัดนิ้วมือเดียวในปัจจุบันในจิตปัจจุบันในธรรมเมื่อจิตละเอียดลงไปเท่าไหร่โลกก็ละเอียดลงไปเท่านั้นธรรมก็ละเอียดลงไปเท่านั้น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 อพราะนิสัยยังอ่อนอยู่บารมียังอ่อนอยู่พระพุติเพื่อเรื่องชีวิตอันนี้บารมีก็ยังอ่อนอยู่นี่พระพุติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารในปัจจุบันในชาติอันนี้บารมีแก่ก้าแล้วนี่ผู้ดใดเป็นอย่างนั้นแต่ใครเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเป็นหน้าที่เจ้าของเองจะมีอิสระดูตัวเองเท่า น, นั้นไม่ใช่คนอื่นจะไปตัดสินให้ นิยุจะไปรับรองให้พยาตูปาาาตัญญาญาณเห็นสังขารปรากฏเป็นของนาครูสังขารที่มีกาคลองและไม่มีแก่คลองพอดีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแลดแตดสลายเท่านั้นไม่มีอันใดจะเจริญยังยืนในไตโลกธาตุนี้เมื่อไตโลกธาตุเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปจําโลกอยู่อย่างนี้ไม่ยกกระเสียน พวกเราจะไปสงสัยโลกทำไมก็ไม่มีสิ่งที่จะสงสัยเมื่อไม่สงสัยแล้วความทะเยอทะยานในวัดตาสงสารก็ลดตัวลงและเกิดชั่วเวทจลดตัวที่ตนเคยหลงมาไม่นอนใจกับสิ่งใดในในโลกเลยไม่ไห้ใจกับสิ่งใดในในโลกเลยและอายจะหาความสุขในโลกอีกด้วย จิต ใ, ใจก็โอนไปเอนไปในพระนิพพานในทำอันไม่มาเกิดแก่เก็บตายน้อมไปยินดีไปเอนไปเองโอนไปเองถอนเองถอนความเพลินเองถอนตัณหาทาัา้งราบความหมายพระพุทธศาสนา ธรรมศาสนาสังศาสนาหมายจะลรื่อสัตว์ออกจากวาตาสงสารเท่านั้นคิวที่สุดที่สุดของคิวมีความหมายเท่านั้นเรื่องต้นจึงสอนให้สมาอาชีวทรรมาหาเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบเป็นรากเงาไม่ให้สุกเอาเผากินให้มีขอบเขต ให้อยู่ในระบบของศีลธรรมตามสติกําลังซึ่งเป็นของเหลือวิสัยถ้าเราหาักจะกล่าวตัวว่าคําสอนของพระบร ม, มาศาสดานี้เป็นของเหลือวิสัยนะักไม่สามารถข้าพเจ้าจะปฏิบัติได้ถ้าเราจะกล่าวตัวอย่างนี้ค่อยๆกับว่าพระบร ม, มาศาสดางู้ผู้ที่ปฏิบัติไม่ได้ก็วางคําสอนไว้ค้ายๆกับว่าเรากล่าวตัว เขาบอกเรามาศาสตราบอกว่าดอกบัวมันมีหลายจําพวกดอกบัวที่เป็นตูมก็มีดอกบัวที่เสมอน้ําก็มีดอกบัวที่จะบานก็มีไม่มีไม่ผูกขาดแต่ว่าอยู่ใต้น้ําส่วนพวกที่อยู่ใต้น้ํานั่นก็เป็นพักษาเห็นปลาในเต่าก็ตามบูญตามกรรมของสัตว์พวกที่อยู่เสมอน้ําและพวกที่กำลังเป็นตูมจะบานในวันต่อๆไปก็ดีหรือในวันพรุ่งนี้ก็ดีหรือในวันนี้ก็ดี ยังมีอยู่พระองค์มองเห็นอย่างนั้นที่นี่เราจะเป็นดอกบัวชั้นไหนต่างคนก็ต่างรู้ตนเองทีน่นี้มีอิสระจะตรวจ ด, ดูตนเองถ้าหากว่าเราจะยอมเป็นดอกบัวอยู่ใต้น้ําความพอใจของเราก็ไม่มีเพราะเราไม่เป็นฐานะอย่างนั้นเราต้องการอยู่ฐานะในดอกบัวตูมในดอกบัวเสมอน้ําเท่านั้น ดอกบัวสีเหลาไม่มีแต่ครั้งพุทธกาลครั้งนี้ก็มียุงไม่พ่อดอกบัวกอเดียวดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมือนน้ำเสมือนน้ำเต็มภูมิดอกอยู่ใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิดอกบัวแต่และดอกค้ากับวว่าคนแต่และคนในโลกกอเดียวหมายความว่าคนอยู่ในโลก แต่ละดอกไม้ความว่าแต่ละลายข้อมูคคลกอเดียวกันผู้ที่จะเข้าสู่พระนิพพานก็เดินตามสายกันเหมือนปลืกผู้ที่จะไปนรกก็เดินตามสายกันเหมือนปลืกเหมือนกันไปคนละแพ่งวันนี้อย่าได้เห็นแกอนอนมากนักชาคณียโยก ประกอบความเพียรเพื่อจะชำระตนข อ, ของตนให้หมดจดไม่เห็นแก่นอนมากนะักอปันนะกรปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างหนึ่งอินทรีสังวรสำรวมอินทรีหกคือตาหูจมูกลิ่นกายใจมาให้เย็นดีเย็นลายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิมรสถูกท้ อ, องปวดสะพะด้วยกายร้ปธรรมารมด้วยใจสองโพชเนมะตัญยุตา รู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยสามชาคัิยานิโยคประกอบความเพียรเพื่อจะทำระใจของตนให้หมดจดไม่เห็นแก่นอนมากนะักใครเอาไปปฏิบัติก็ไม่ผิดเรียกว่าอับปันนกาปฏิปทาปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างอยู่ในธรรมหมวดสามข้าพระรมัสสดาบอกแล้ว <c oughs> เรานอนมาไราชาไราพบแล้ว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 ผู้ชาติที่ไม่มาเกิดแก่เก็บตายเรียกว่าอรรพชาติคืออรหัตตชาติอรหัตตผลอยากจะกู้ออกจากชาติพุทุชนคนหนาโหทะรภูยานญาณขอบโคตคืออยากจะออกจากโคตรของพุทุชนคนหนาข้ามโคตรของพุทุชนคนหนาไปเพราะต้องการให้ใจใ จ, ใจมีสติปัญญาสูงสง่งขึ้นไปไม่ต้องการอยู่ในระดับเดียวอยู่ในระดับเก่า เราปฏิบัติทิฏฐิรำอยู่ทุกวันทุกวันไม่ใช่ว่าจิตใจและสติปัญญาปัญญาของเราจะอยู่เหมือนเก่ามันสูงขึ้นไปดีปๆดีขึ้นไปโดยไม่รู้ตัววัดนับวันจะชนะความหลวงของตนทุกๆท่านทุกๆคนถ้าอย่างนั้นใครๆก็ไปถึงพนันธุพานไม่ได้ความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีอยู่แล้วศรัทธามีอยู่แล้วยังประโยชน์ให้สําเร็จ มันเป็นหัวจับอยู่แล้วมันเป็นทรัพย์ภายในอยู่แล้วเราก็ตั้งหน้าปฏิบัติเท่านั้นลงมือปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติทำพระทำอยู่กับเราไม่ได้ยืมใครมาปฏิบัติจิตใจที่จะปฏิบัติก็จิตใจของเราไม่ได้ยืมใครมายืมสิ่งของเขายืมเงินยืมตางเขาเขาเก็บดอกเบี้ยอันนี้ไม่มีใครมาเก็บดอกเบียกับเราไม่ต้องไปส่งใคร จิตใจของเรามีอยู่ขาสองแขนสองหัวหนึ่งของเราก็บริบูรณ์อยู่แล้วเราก็คนหนึ่งสามารถจะเอาตอนข้ามวัฏสงสารได้แต่เราสามารถมาเกิดแก่เก็บตายเราก็ยังสามารถเราจะสามารถให้เห็นโทษในเรื่องเกิดแก่เก็บตายเราจะถือเป็นของเหลือวิสัยเราเมื่อเราถือเป็นของเหลือวิสัยเราจะสาคัญตัวว่าเราเป็นคนฉลาด เราก็เป็นคนโง่โดยไม่รู้ตัวอีกด้วยความคิดเห็นชชินนั้นจะเป็นที่พึ่งของเราได้ไหมถ้าหากว่าเราสงสัยถ้าหากว่าเราสำคัญตัวเราเป็นคนฉลาดอยู่ในวัฏสงสารเรายังไม่หลุดพ้นความเห็นเชน่นนั้นจะทำให้เราเป็นหมันในวัฏสงสารอีกจะทำให้เรามาตกหลุมผ่านเพลิงอยู่ไม่แล้ว่วไม่รอดอเกิดแก่เก็บตายวุ่นวายกันอยู่ โรควุ่นวายโลคคัดข้องใครอยู่ที่ไหนก็คัดข้องที่นั่นพราะโรคจาไปด้วยกิเลสมันก็คัดข้องนั่นเองถ้าไม่ถึงพระนิพพานแล้วก็ไม่ผ่านพ้นความคัดข้ อ, อ, องไปล้วจะเอาแต่อามิทภายนอกมาแก้กิเลสไม่แก้มันก็คล้ายๆกับว่าจะเอาฟืนทิ้งใส่ไฟเพื่อให้ชนะไฟมันย่อไชนะไม่ได้มันก็ไม่ไปหมดต้องแก้กิเลสด้วย เพราะวัตถุนิยมทุกประเภทอยู่ใต้อำนาจอานิจจังแล้วทนานจะอยู่ในวงแขนของเราได้วัตถุนิยมภายในสก ล, ลากายก็อยู่ใต้อำนาจอานิจจังแล้วตาหูจมูกลิ้นกายของเราก็อยู่ใต้อำนาจอานิจจังแล้วสติปัญญาคิตใจก็ต้องรู้ตามเป็นจริงมิฉะนั้นแล้วจะเป็นเปรตที่เอามาเฝ้าหนังเฝ้ากระดูกอยู่นี้เฝ้าหิวเฝ้ากินเฝ้าขี้เฝ้านั่งเฝ้านอ น, อน ก็กินฝ้าถ่ายเป็นธาตุของตนเองเป็นธาตุแห่งตัณหาเป็นธาตุแห่งความทะเยอทะยานเราต้องเห็นโทษอย่างเต็มที่เห็นโทษในเรื่องเกิดเห็นโทษในเรื่องแก่เห็นโทษในเรื่องเก็บเห็นโทษในเรื่องตายเห็นโทษในเรื่องหิวเห็นโทษในเรื่องอยากเมื่อเห็นโทษสิ่งเหล่านี้พอแล้วก็คือตัวศีลสมาธิปัญญานั่นเองไม่ใช่อื่นใกลเลยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเอง ก็คือเป็นเครื่องฟอกคิดฟอกใจให้สะอาดนั่นเองไม่ใช่อื่นเพราะไม่ใช่สมาธิหัวต่อเพราะไม่ใช่สมาธิและปัญญาหลอกกินขนมหลอกให้คนนับถือสมาธิปัญญาเพื่อหวังหลุดหวังพ้นออกจากวัฏฏสงสารวัฏฏะไปเอาความหมุนเวียนความหมุนเวียนแห่งความหลงของตนแต่และท่านละท่านจะตัดให้มันขาดไม่ออยากจะมาหมุนเวียนอีก ความมุนเรียนก็คือวัตฏะวัตฏะก็มีอยู่ประจำคันท่าสัดานของทุกๆ ท, ท่านเมื่ อ, อยังไม่รุดพ้นตัดวัตฏะด้วยพระมหาสติด้วยพระมหาปัญญาก็คือพระมหาพุทธพระพรมหาธรรมพระมหาสงฆ์นั่นเองมหาศีลมหาสมาธิมหาปัญญานั่นเองอันมีอยู่ในปัจจุบันทันตามองดูอดีตก็เอื้อมและอามาก มองดูอนาคตก็ไม่น่าเลื่อมใสคําว่าชาติชาติพบๆมองอยูดูในปัจจุบันที่นั่งอยู่ที่นี้ก็ไม่น่าเลื่อมใสเพราะมีแต่กองทุกข์พลิกหน้าพลิกหลังหายใจเข้าหายใจออกทรัพยประงกก็มีเปรตนั่งเฝ้าล้มมุดล้มพูดเราจะไปหาที่อื่นมันไม่พบดอกก็คือมนุษย์เราดีๆนี่เองก็ในสกนลรกายของเรานี่ก็มีแต่ลุมมุดล้มพูด เราก็เป็นเปรตนอนเฝ้าอยู่ทุกวั น, นเราต้องเห็นโทษเวลารับทานเวลาดื่มก็บอกว่าอร่อยเวลาประทายก็ต้องปิดประตูริบเลยอัดแน่พินหน้าพินหลังได้ยินช้งคน ก, ก, ก, ก็แก๊กมาเขาหันหน้าสู้เพราะเก่งเขาจะมองดูตน เวลากินก็กินอย่า ง, งผึงพายทุกนี้ก็ต้องกินอีกทายอีกขันนี่เองทุกมันอยู่กับตัวเราที่สมมติว่าเราเนี่เองที่สมมติว่าขันขันนี่เองทุกขันคุกขัดขันทัศนะอันตะกจริยายะสังวัตตุจะทำให้พ้นจากกองทุกจะพึงมีปรากฏแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกโคต็นนาเป็นผู้มีทุกแล้วทุกโคจินนาทุกขาบาริตา การจะทําให้พนทุกข์จะพึงมีปรากรูแก่ข้าพเจ้าทั้ทงหลายไม่ใช่เราสวดเล่นถ้าหากว่าเราไม่สนใจก็แค่ๆก็ว่าเราสวดเล่นก็บอกว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังข้าราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนิจจาสั้งข้าราอนิตจาวิญญาณังอนัตานานานานตาเข า, า, า้ายๆกับว่าเราสับเนื้อนี่สับอยู่ที่นี่ รูปังอนิจจังก็สับอยู่ที่นี้เวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสั้างขาราิจารอนิจจงรูปังอนัตตาก็สับอยู่ไม่ถอยนีย่สับอยู่ของเก่าพูดและคคำก็ตามสับอยู่ของเก่าคล้ายๆกับเขียงคล้ายๆกับช่างเหล็กตีถูกหน้าทั้งอยู่เสมอๆไม่สงสัยไปในทางอื่นเลย แห้เขาแย่งกันอยู่นี้ในโลกอันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมนี้เข้าสู่พระนิพพานไปหมดผู้มีกิเลสมากก็ให้แย่งกันอยู่ในนี้เราจะสืบมอรดกอันไม่เกิดแก่เก็บตายในพระนิพพานและไม่ต้องการจะมาสืบมอรดกกองทุกในวัฏจัสงสารอีก อุบายใดเห็นโทษในวัฏฏะสงสารอุบายนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอุบายใดเห็นเพลินในวัฏฏะสงสารอุบายนั้นเป็นคําสอนของพญามารอุบายใดเอือมละอาในวัฏฏะสงสารก็เหมือนกันก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอุบายใดจะเค็ดหลาบในวัฏฏะสงสาร เช่นลาในความเกิดแก่เก็บตายอุบายนั้นก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งอดีต ด, ด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยอุบายใดเป็นเครื่องเชยทยานในวัฏสงสารแต่พุทธะผืออุบายนั้นเป็นคําสอนของพญามารมาโลปาปิมะพราะมานมันอยู่ในที่ทเรานี่กิเลสมานมันจ้องเวลาอยู่ถ้านั่งภาวน า, นานานบ้างมันก็ชวนเอาเถอะขนาดนี้ มันชวนเราให้นอนเพราะมันเก่งจิดจะรู้เท่ามันถ้าเดินยังกลมบ้างมันก็บอกว่าเอาเถอะสมควรแล้วนัดตัวพยาบาลเพราะมันเก่งจะรูดจากมันมันเก่งแกนี้จากมันมันเก่งมันจะไม่ร้อยจมูกได้มันเคยร้อยจมูกมาแล้วเดี๋ยวท่ายขวากับล้างหันวิ่งเดิน ขี้เกียจมาแต่งงานอีกคำว่าแต่งงานก็คือแต่งงานทุกนั่นเองแต่งดองกันในโบราณเรียกว่าแต่งดองแต่งดองกับแต่งงานก็เหมือนกันพ่อดองงานไว้พ่อดองทุกไว้จิตไปโอกจิตใจโอนไปจิตใจไม่ไว้ไม่ไว้ใจในวัฏสงสารก็คือจิตใจเขาพิจารณาธรรมะนั่นเอง น, นก็คือเขามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องอยู่นั่นเองก็คือมีทำเป็นเครื่องอยู่นั่นเองมีทำเป็นเครื่องประพฤตินั่นเองจิตใจเฟินในวัฏจักรงสารก็คือหาเืินทิ้งสายไฟนั่นเองเรียกว่า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 เมื่อดีใจก็ไม่เพลินจนลืมตัวเพราะมีทําเป็นเครื่องอยู่เมื่อได้อะไรก็ไม่ตื่นจนเกินไปเมื่อเสียก็ไม่โศกจนเกินไปเพราะได้พิจนารณาทำเตรียมไว้แล้วเพราะรู้จักทั้งทางได้รู้จักทั้งทางเสียรู้จักทั้งทางเกิดขึ้นและเสื่อมแปรปวนไปการตกใจหรือเสียใจจนเกินควรจนนับถิ่ไม่ลุกมันก็ไม่มี เหตุฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติสินธรรมเมื่อมีผู้ถึงอันตรายใดๆทั้งสิ้นเขาจึงไม่ได้โศกเศร้าเสียใจขึ้นเกือบร้องไห้ลำพันจนเกินไปเพราะมีสถานีหยุดพระอํานาจของธรรมะผู้ที่ประสบอารมณ์ไม่เหมาะสมก็ร้องไห้จนจะตายไปด้วยกันเพราะไม่ได้ปฏิบัติสินธรรม คำคำสอนของพระองค์เป็นของไม่บูดไม่เน่าเหมือ น, กนแกงแกงเป็นของบูดเน่าเป็นของทันสมัยอยู่ไม่บูดไม่เน่าทุกยุค ท, ทุกสมัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายใครจะนับถือทำไมนับถือกวาดามเป็นของดีของเด่นอยู่อย่างนั้นเป็นของมีค่าอยู่อย่างนั้นใน้ใก้โลกธาตุเลย เราเรียบเร่งปฏิบัติเพื่อคนทุกในวัตฏสงสารเสียให้เขาแย่งข้าฟันกันตายอยู่นี่แย่งไร่และแย่งนาแย่งแย่งรั่วแย่งสวนสารพัดแย่งอิทธิพลบ้านเมืองอะไรต่ออะไรสารพัดให้เขาแย่งกันอยู่นี่พวกที่ยังบา ร, รมีอ่อนเราไม่ต้องการบา ร, รมีอ่อนเดียวนี้ ความง่้ในวัฏจักรสงสารมีเท่าใดเราจะเอาสติปัญญาเยียบเล็บมันต่อสู้กับมันความหลงความเพลินมีเท่าใดเราจะเอาพระมหาสติมหาพระมหาปัญญาไปต่อสู้กับมันรบมันอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนอยู่ในเมืองใจนี่เพราะมันปนเมืองใจของเรามาหลายภบหลายชาติแล้วมันตั้งบ้านรอบรอบแล้วโลกปวดหลงมัน อยู่รอบเมืองใจของเรานี่ทีนี้เราจะขับให้มันหนีไม่ให้มามันมาเป็นเจ้าเป็นจอมขี้เกียจมาเป็นนายสารถีขับรถคันกระดูกปีนขึ้นเขาปีนไปทุกขนทุกแห่งนายสารถีนายสารถีคือพญากิตราฏ ขับรถสองขาขับเพื่อปฏิบัติทิฏธรรมถูกแล้วแต่ขับไปนรกนั่นผิดขับไปทำกรรมอันไม่ดีต่างๆพรุ่งนี้จะไปไหนเราก็กะคร่าวๆกันไว้แต่จะถึงพรุ่งนี้หรือไม่ถึงไม่ทราบที่พระจร์หยุดเดินก็เป็นเรื่องสมมติกันเท่านั้น เราจะยืนยันได้แต่ที่ล่วงมาเท่านั้นกับปัจจุบันเท่านั้นพรุ่งนี้เรายืนยันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ใกล้จะตายกว่าเมื่อเช้านี้ลิปบี่ริบบี่ริีรร่เขาไม่ถอยเลยเพราะหมุนลานนาฬิกาแต่วันเกิดแล้วมันยังไม่หมดลานถ้าทิ้ลงลมปานก็มุดลานข้างหนึ่งละเรียกว่าชาติหนึ่ง แต่มันปก่กอมาอีกผลของกรรมตามไปไปหาบุญบ้างบาป บ, บ้างแต่ไม่ต้องการหลายบ้างเพราะต้องการจะเข้าสู่พระานให้มีบ้างเดียวเสียนี่ไม่ต้องการทางหลายแฝงมาเกิดในวตาสงสารแม่เกงว่าท่านผู้อื่นจะมาเกิดมากกว่าเรา ไม่เสียไม่ยอมไม่ไม่ถือว่าเป็นของเสียเปรียบเสียเปรียบแต่ท่านผู้เข้าสู่พระนิพพานก่อนผู้จะท่องเที่ยวในวัดท้าทมสายไม่ได้เสียเปรียบรอกใครจะไปเสียเปรียบผู้ลุยลุมฐานเพิงเสียเปรียบผู้ออกจากลุมฐานเพิงเท่านั้นกบรูมูดรุมพูดอยู่ใครจะเสียเปรียบ ถ้าอยากจะไปตกแข็งพวกที่มุ่นพ่นจากลุ่มมุดลุ่มพุ่นเราเสียเปรียบที่นี่แต่ตกลงก็เสียเปียบเรานันเองไม่ใช่เสียเปรียบท่านเหล่านั้นเสียเปียบความง่ของเรามันมีอานาจมากเสียเปียบความหลงของเราเพราะมันมีอำนาจมากมันมีอานาจมากกว่าศีลสมาธิ ป, ปัญญาเราเพราะศีลสมาธิ ป, ปัญญาของเราอบรมน้อยปฏิบัติน้อย มันก็มีมันก็แสดงปาฏิหาริได้เมื่อเราปฏิบัติมากมันก็แสดงปาฏิหาริไม่ได้ถ้าเราพิจารณากองทุกข์อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็เรียกว่าเรียกว่าเหยียบเรียบความหลงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน <S <S พร้อมคำลมให้ใจเขาออกด้วยทุกขังอริยสัจจังท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้ยิ่งเนื้อปรินเยยันที่มีพิชเว ท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้ยิ่งนะภิกษุสัมเนียโนบาโทกบาศิกาปริญญาตันติเมพิคเวเราพิจารณาให้ยิ่งแล้วปหาตะปันติเมพิคเวท่านทั้งหลายจะได้ละความเพลินในวัตาสงสารพระหินันติเมพิคเวเราได้ละความเพลินแล้วสัชิกาตะปันติเมพิคเวท่านทั้งหลายจงทําให้แก้งในคันทะจันดาน สัจจิกะตัณฐิเมพิคเวเราได้ทําให้แจ้งแล้วบุรลงมัสสต า, เ ร, าเรียกว่านิโรธทําให้แจ้งเมื่อเวลาพิจารณาอยู่บ่อยๆเรียกว่ามัดผลของการพิจารณาอยู่บ่อยๆซึ่งความสงสัยเราจะไปหามักผลที่ไหนอีกเราจะไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนอีก ตื่นขึ้นมาก็หากินกันกระทึกสัตว์ทั้งหลายในโลกโคกระบือก็วิ่งออกจากบ้านนกหนูผู้ปีกก็วิ่งออกมนุษย์ก็ขาเป็นบ่วงพระก็ขาเป็นบ่วงวิ่งเข้าบ้านโยมก็ทำหน้าทำหลังชนหน้าชนหลังเป็นวนๆเวียนๆอยู่ที่กับโรงไฟนั่นกองทุกเคลืนไหวนั่นเออ คนม่เห็นกองทุกจะเป็นคนฉลาดอย่างไรได้อุปสรรคปัญญาวิเศษคนมาพบแก่พบเก็บพบตายจะเป็นคนฉลาดอย่างไรได้เป็นคนฉลาดไม่ได้เพระอารมณ์ศาสตร์สดาก็าพบแก่พกเก็ บ, พ บ, กบพบตายนั่นเองถึงได้ออกบวชพราะเทวดานิรมิตรเทวดาวก็คือจิตใจขององค์ท่านบันดาลหินบรรดาลูกเราอยากเห็นพระรหันต์เราก็ต้องเป็นพระรหันต์เสียก่อน เราอยากเห็นพระเสวาวันเราก็ต้องเป็นพระเสดาวันเสียก่อนเราอยากเห็นพระสกทาคามีวว compiled, เราก็ต้องเป็นพระสรกทาคามเาาเีเสียก่อน <China. S 1> เราอยากเห็นผู้รักษาชิ้นห้าชิ้นปดเราก็ต้องเป็น <Hard> ผ <ki> ู้รักษาชิ้นห้าชิ้นปดเสียก่อนเราอยากเห็นคนภาวนาเราก็ต้องภาวนาเสียก่อนเราอยากเห็นโดยคนเดินโยกรมเราก็ต้องเดินเสียก่อนเราจะลูกเกลือว่าเค็มหรไม่เค็มเราก็ต้องคิบเสียก่อน ให้คนอื่นเก็บแทนมันก็ไม่รู้ความหมายนี่เป็นเรื่องสอนตนเองเพื่อให้เพิ่มความสงสัยด้วยเอ๊ะพระละหันอยู่ที่ไหนพระเทวด า, ยอยทะะทาอยู่ที่ไหนพระกระตาอยู่ที่ไหนก็เราไม่เป็นมันก็หาไม่เห็นละเราอยากจะเห็นคนตาดีเราก็ต้องตาดีเสียก่อนเราตาบอดจะไปหาคนตาดีมันก็ไม่เห็น ลมหายใจเข้าข้างหนึ่งเป็นทุกรอบหนึ่งก็เป็นศีลสมาธิปัญญารอบหนึ่งก็เป็นมรรคผลรอบหนึ่งเหมือนกันก็เป็นเทพุบุตรธรรมผส์รอบหนึ่งเหมือนกันลมหายใจเข้าออกข้างหนึ่งก็เป็นทุกรอบหนึ่งเป็นสังขารรอบหนึ่งเป็นโลกรอบหนึ่งเป็นกิเลสรอบหนึ่งแต่ก็เป็นสมาธิศีลสมาธิปัญญาอีกรอบหนึ่งเหยียบเรียบกันอยู่พราะมหาสติพระมหาปัญญาเหยียบเรียบกัน เป็นพุทธธรรมสงรอบหนึ่งเหมือนกันเป็นพระพุทธศาสนารอบหนึ่งเหมือนกันไม่สงสัยในโลกรอบหนึ่งเหมือนกันรู้ตามเป็นจริงของโลกรอบหนึ่งเหมือนกันรู้ตามเป็นจริงของสังขารรอบหนึ่งเหมือนกันรู้ตามเป็นจริงของกองทุกรอบหนึ่งเหมือนกันรอบคนอื่นก็คือรอบเก่าไปอีกนี่ไม่ใช่รอบใหม่ไม่ใช่โลกใหม่โลกอันเก่าลมวพัใจเข้าอีกเครื่องหนึ่งก็เป็นโลกอันเก่าอีกโลกรอบเก่าศิทสมาธิปัญญารอบเก่าอีกเหมือนกัน สติปัญญาออ ร, มมรอบเก่าอีกเหมือนกันพุทธธมสงรอบเก่าอีกเหมือนกันชกกันอยู่ที่นั่นรู้ ก, กันอยู่ที่นั่นเหยียบเล็บกันอยู่ที่นั่นรู้แจ้งกันอยู่ที่นั่นทัน ก, กันอยู่ที่นั่นมัดแรกหมัดกันอยู่ที่นั่นสอกแรกสอกเขาแรกเข่ากันอยู่ที่นั่นเอาละสีนี่ไปไปปฏิบัติทำความเพียรี่นี่เราจะไปสงสัยที่ไหนอีกถ้าหากว่าจะไปภาวนา ตามก้อนหินก้อนผาพักกันหอบเสือไปเนื้อ๋ยวไปนั่งหินลนๆเนอ้เออย่าไปนั่งหินลนๆเดี๋ยวมันจะเกิดเนบชาสาดตรของเราอยู่ใต้ถุนมีหอบไปจับกลุ่มกันอย่พาพักกันนอนเนอ้อไม่นอนครับตั้งใจไว้นอนนะครับ<ะ>ตั้งใจตั้งใจในบัญชีครับเออเดี๋ยวเดียหาเทียนให้ไปชาทุกคนมีเงช เ ป, เป็นไง ค, ค, ครับไต้อง่เกลียจัรกลุ่มวันนี้นะ่ะวันฉลองมาคะกร่างงี้ยดีกว่าเราคุยกันดีกว่าเราจับกลุ่มคุยกันเล่นถ้าเราจะฟังเทศมันก็สุดไม่เป็นแล้วก็ต้องฟังในเราฟังเทศในกันลมหลายใจเขาออกดูซิที่นี่เออฟังเทศในกรรมฐานของเรานั่งฟังของใครของมันเพราะมีนักเทศอยู่เต็มแล้วนี่ จะฟังกันไหนกันผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกกันอันนี้จังทุกครั้งอนัตตากันเปื่อยกันเน่ากันลมหายใจเข้าออกก็นั่งฟังของใครของมันทีนี่นพราะนักเทศเอกมีอยู่ทุกๆท่านแล้วนี่มีอยู่ในนี่ผมขนเล็บฟันนังเนื้อนะอืมไปไหนก็ไปตามนักเทศเอกข้างนั้นแ่ะความแก่ก็แก่ยุไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงธรรมาทอยู่นี่ความเก็บก็เก็บไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงธรรมาทิย์ความตายก็ไม่ตายอยู่ทพื่อกลางวันกลางคืนไม่ลงธรรมาทิย์ ก็ฟังเทศกันอยู่นี่อยู่ในสนามนี่นี่สนามต่อสู้สนามกายสนามใจนี่อืฟังกันอยู่นี่ปฏิบัติกันอยู่นี่ชกต่อยกันอยู่นี่อยู่ในสนามนี่พระบรมศ า, ศ, าศาสดาตัสรูที่ต้นโพยิยงอยู่ตัศรุี่ใจของท่านอืการทําความดีความชั่ว่ะทําอยู่ที่ไหนทําอยู่ที่เมืองใจ แต่ไปมาผลนิ่พานก็ไปจากเมืองใจเองก็ไปเมืองใจนั่นเองที่ไม่มีกิลเลสนั่นหลวงปู่วันนี้พวกเรามาพอกันหลายคนขอหลวงปู่ยืนยืนมัย้ ย, ยค่ะเอ อ, <c oughs> อ น, นั่น <c oughs> มอบให้พระทำเป็นผู้ตัดสินคุณ <c oughs> หนูฉลาดนะเออกแแข็งงรมา่เออสาธุสาธุ แต่ก็มอบให้พระธรรมเองเหมือนกันให้พระธรรมเป็นผู้ตัดสิน